เรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่เป็นแฟนเพจพระเจอผีค่ะโดยคุณพันสวัสด์นะคะหรือว่าคุณนบนะคะถ้าหากว่าอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะคุณนบเขียนมาบอกสวัสดีครับคุณบีผมเป็นแฟนเพจเรื่องเล่าใน YouTube มาสักพักหนึ่งชอบมากเลยครับเลยอยากจะขอเล่าเรื่องผีของตัวเองสั้นๆ ส, สักเรื่องหนึ่งด้วยความยินดีค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นอายุประมาณ22ปีเวลาว่างคุณนพบอกว่าชอบไปช่วยงานคุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยแกมีอาชีพหาพวกตัวประกอบไปเล่นละครส่วนตัวก็ไปมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ชอบเพราะว่าสนุกดีได้เจอดาราได้ไปโน่นไปนี่ได้แต่งตัวแปลกแปลกซึ่งปกติไปก็ไม่ได้เจออะไร จนกระทั่งวันหนึ่งคุณป้าบอกว่ามีถ่ายละครแนวย้อนยุคอันนี้ถ่ายกันตอนกลางคืนคนที่มาแต่งตัวเป็นทหารโบราณกา็สนใจก็เลยไปกันพอไปถึงที่ถ่ายประมาณ3ามทุ่มก็ถ่ายกันจริงๆประมาณ4ีหทุ่มก็เลยพาเพื่อนไปด้วย6คนนะคะวันนั้นตัวประกอบเยอะจำได้ว่าประมาณ 10-15 คนก็ได้ถ่ายกันไปเรื่อยๆถ่ายเสร็จก็เกือบตีหนึ่งทีนี้พอจบ ถ่ายจบเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนก็ไม่ยอมไปเพื่อนบอกว่าไปคืนชุดแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำาข้างหน้าดีกว่าทีนี้เนี่ย เพื่อนก็บอกแบบนั้นนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ปวดท้องรอได้ที่ไหนล่ะก็เลยยืนงึ้อเัก ๆ, ๆักมองซ้ายมองขวาซึ่งห้องน้ําที่มันอยู่ใกล้ที่สุดเขาสร้างไวอ้อยู่ที่ใต้บ้านที่ด้านบนนี่แต่งเป็นเหมือนวังแบบในหนังจกัจกจักรงวงนะคะมันเป็นห้องน้ําเป็นบ้านที่ห่างจากที่ที่เรารวมกองประมาณ5 0าสิถึงหนึเมตรแล้วก็มีสะพานข้ามคูน้ําที่ทําเป็นเหมือนคลองเอาไว้ถ่ายหนังกัน ตอนนั้นคุณนพบอกว่าผมมองไปก็เห็นเงาคนคนนึงเดินไปทางห้องน้ำพอดีในใจก็คิดว่าโอเคมีคนไปเข้าห้องน้ำแน่ก็เลยวิ่งตามไปพอข้ามสะพานไปวิ่งไปใกล้ๆคนคนนั้นก็เดินห่างประมาณ5เมตรได้เห็นชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงสูงผอมใส่ชุดไทยบนหัวเนี่ยก็สวมชดาแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าที่ถ่ายกันเนี่ยมันคือละครย้อนยุคก็อาจจะมีคนใส่ชุดไทยมันก็คงเป็นเรื่องปกติ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณนบบอกว่าคนเยอะผมก็รู้จักคนไม่ทั่วถึงอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรเนะี่ยก็เลยเดินเข้าห้องน้ำค่ะพอถึงทางเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ใต้บ้านมันก็จะต้องก้มหัวลงนิดนึงก่อนเข้าก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปก่อนคุณนบเดินเว้นระยะห่างให้เธอเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินตามเข้าไปเพราะกลัวว่าเธอจะตกใจที่มีคนเดินตามมา พอคุณนบเดินเข้าไปแทนที่ผู้หญิงคนนั้นจะตกใจกลายเป็นว่าคุณนบเองตกใจค่ะห้องน้ำเขาแบ่งแบบพอเข้าไปขวามือเนี่ยจะเป็นห้องผู้หญิงสี่ห้องประตูเปิดหมดไม่มีคนเข้าซ้ายมือคือห้องผู้ชายสี่ห้องประตูเปิดหมดเหมือนกันไม่มีคนเข้าในใจก็กลัวแล้วก็คิดแล้วละ่ะว่าผู้หญิงคนที่เราเห็นเดินมาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาหายไปไหนในใจก็คิดว่าเอ๊ะมันคงผิดปกติ จากปวดท้องก็กลายเป็นเปลี่ยนใจแล้วคิดไปต่างๆนานาถ้าเข้าไปทําทุระแล้วประตูมันล็อกล่ะออกไม่ได้ตายแน่ๆเลยก็เลยไม่เข้าแค่ล้างหน้าละกันอ่างล้างหน้าก็อยู่หน้าห้องน้ำชายคุณนพเปิดน้ำล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยก็กะว่าจะมองกระจกแล้วก็เช็ดหน้าซึ่งกระจกมันเป็นกระจกกลมนะคะ ที่มันจะเอียงเอียงลงมานิดหนึ่งเวลา2เราก็ต้องผลักมันขึ้นมาพ อ, อคุณนบผลักกระจกขึ้นมาก็เห็นเหมือนมีคนใส่ชดาเดินผ่านหลังไปก็เลยหันกลับไปมองทันทีเลยที่เห็นนะะุเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยทําใจดีสู้เสือเดินออกไปดูทางที่ที่เห็นคนคนนั้นเดินเดินมานะคะทางข้างหน้ามันเป็นทุ่งนากว้างมากเลยค่ะมองไปทั่วๆก็ไม่เห็นใครคือจริงๆก็ไม่ควรมีใครเดินไปหรอกนะคะพอคุณนบ หันไปทางขวามือที่น่าจะเป็นกอไผ่ซึ่งด้วยความที่มาถ่ายที่นี่บ่อยก็พอจะจําโลเคชันได้ก็เห็นเงาผู้หญิงใส่ชุดไทยสวมชฎายืนทําท่าตั้งวงเหมือนกับกําลังจะซ้อมรำไทยเท่านั้นเลยค่ะเสียงในหัวของคุณนบบอกคำเดียวบอกวิ่งสิวะวิ่ง คุณนบออกวิ่งจากห้องน้ำโดยในใจก็คิดว่าจะวิ่งตรงมาที่ที่ที่เขารวมกองกันอยู่พวกพี่ๆเก็บฉากพวกพี่ๆเขสตูมเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะยังเก็บของกันอยู่พอคุณนบวิ่งมาถึงสะพานข้ามคูเท่านั้นแหละค่ะก็ได้เห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วเขาเก็บของไปแล้วรวมกันหน้าโรงถ่ายแล้วคุณนบจาไม่ได้ว่าใช้เวลาวิ่งจาก หลังโรงถ่ายนี้ไปหน้าโรงถ่ายเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แต่ที่จําได้คือมันเป็นการวิ่งที่เร็วที่สุดในชีวิตของคุณนพนะคะหลังจากนั้นผ่านไปก็ได้มีโอกาสลองเล่าเรื่องนี้ให้พี่คนที่ดูแลโรงถ่ายเนี่ยฟังพี่เขาบอกว่าเจอมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามีคนเจอหลายคนอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเจอคุณตาคุณยายที่เป็นเจ้าของที่เก่า ไม่ก็บ้านทรงไทยที่เขาเอาไว้ถ่ายหนังมันก็เป็นบ้านเก่าเขายกมาทั้งหลังเป็นบ้านเก่าจริงๆแล้วของเก่าคือเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรงถ่ายที่ใหญ่ที่หนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้เนื้อที่หลายสิบไร่อยู่เรื่องของคุณนพก็มีประมาณนี้นะคะยังไงผิดพลาดประการใดหรือว่าเรื่องไม่ดีอย่างไรขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับขอแทนชื่อตัวเองว่าเบสิกละกันส่วนโรงถ่ายเป็นที่ไหนผมขอไม่บอกนะครับ เพราะว่าเขายังใช้ถ่ายอยู่ไม่น่าจะทันละมั้งคะคุณนบชื่อเนี่ยเบสิกเนี่ยนะคะเพราะว่าบีเองก็เรียกว่าคุณนบไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณนบด้วยค่ะที่ส่งเรื่องมาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเมื่อปลายเดือนธันวาคม2520ก่อนจะขึ้นปีใหม่คุณนายกถินกุยะการนนท์เจ้าของยาสีฟันวิเศษนิยมได้มาหาข้าพเจ้าที่บ้านแล้วก็ได้สนทนากันถึงเรื่องต่างๆทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันตอนหนึ่ง ได้เล่าถึงเรื่องคุณพ่อหลวงแจ่มวิชาสอนชื่อแจ่มนิยมเหตุซึ่งครั้งยังรับหน้าที่เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมวัดนวนนรดิตครั้งนั้นคุณนายกถินกุยานนท์เล่าว่าคุณป้าแพรแต่ประดิษฐ์พี่สาวคนโตของคุณพ่อมีเรื่องแปลกประหลาดมาสัจจันได้เกิดขึ้นกับคุณป้าแพร คุณพ่อเล่าให้ฟังภายหลังว่าพอตกถึงกลางคืนเนี่ยก็จะมีวิ ญ, ญญาณมาเข้าสิงคุณป้าแพ้แล้วบอกว่าเป็นญาติของคุณพ่อที่ได้ตายไปแล้วแล้วก็ได้รับความลําบากแสนสาหัสก็เลยมาเข้าสิงคุณป้าเพื่อขอให้คุณพ่อแผ่ส่วนกุศลไปให้ทั้งบอกชื่อบอกเสียงบอกก่อนตายเคยเป็นญาติฝ่ายพ่อหรือว่าฝ่ายแม่แต่ว่าการเข้าสิงนั้นไม่ใช่เป็นการเข้าแค่คืนสองคืนเท่านั้นแต่ว่ามีการเข้าติดต่อกันแทบทุกคืน วิญญาณ น, นั้นไม่ใช่วิญญาณเดียววิญญาณที่เข้าสิงนั้นไม่ซ้ำกันเลยเหมือนจะรอคอยคิวเข้าสิงกันอย่างยาวยืดมีวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากมารับความลำบากยากเย็นแสนสาหัสบางวิญญาณเนี่ยพอเข้ามาก็จะสะอือกสะอื่นรำพันรำพึงให้รู้ถึงความยากลําบากที่สุดในยมโลกได้รับความทุกข์ที่ตัวเองไม่สามารถจะทนได้ซ้ำไม่มีโอกาสจะได้ไปผุดไปเกิดให้พ้นทุกเวทนา ผู้ที่จะช่วยได้ก็เห็นว่าจะเป็นคุณพ่อดิฉันคนเดียวจึงได้พากันมาขอส่วนบุญเวลานั้นดิฉันยังไม่เกิดได้ยินได้ฟังจากข้อบอกเล่าของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ในภายหลังแล้วก็จากญาติผู้ใหญ่ซึ่งขณะนั้นท่านรับราชการเป็นครูสอนธรรมดาอยู่ที่โรงเรียนวัดมัธยมวัดนวนนรดิตเมื่อวิญญาณพวกญาติาตมาสิงคุณป้าแพรแต่ละคืนไม่ซ้ํากันล้วนแต่มาขอให้คุณพ่อนี่ช่วยให้พ้นทุกข์ คุณพ่อก็ได้พิจารณาเห็นว่าพวกวิญญาณของพวกญาติทั้งหลายได้มีการเชื่อมั่นว่าท่านเองก็สามารถช่วยให้พ้นทุกข์พ้นร้อนได้ก็ได้รับปากว่าจะช่วยเท่าที่ช่วยได้เวลานั้นคุณพ่อก็ได้ทำการสมรสกับคุณแม่ได้อย่างไม่ครบหนึ่งปีคุณพ่อก็ตกลงกับคุณแม่ว่าจะอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พวกญาติที่มาขอให้ช่วยคุณแม่ก็มีความยินดีด้วยคุณแม่ได้ทำการสมรสกับคุณพ่อเมื่อปี 2,451 ชื่อนางสาวผินนิงสานนบุตรสาวหลวงพินิจโภคากรคุณพ่อก็ได้ตกลงใจเข้าอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณญาติที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากให้พ้นความทุกข์ไปผุดไปเกิดเมื่อวันอุปสมบทคุณป้าแพ้แต่ปร ะ, ประวัติก็ได้เป็นผู้อุ้มผ้าตรายครองด้วยหน้าตาอิ่มเอิบจิตใจผ่องใสผิดปกติธรรมดา เมื่อได้เวียนบท3มรอบแล้วตอนที่จะเข้าไปในโบสถเนี่ยคุณป้าร้องขอให้ใครมาช่วยรับผ้าตรายอของนาคเข้าไปในโบสด้วยเสียงบอกว่าเข้าโบสไม่ได้ทันใดเมื่อมีผู้รับผ้าไตรเข้าไปในโบสคุณป้าแพรก็รู้สึกตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเองก็ไม่รู้ว่าได้ทําอะไรไปในเวลาอุ้มตรายเดินรอบโบสก็ไม่รู้เรื่องอะไรแสดงว่าระยะที่อุ้มตรายเวียนรอบโบสนั้นเนี่ยคุณป้าไม่รู้สึกตัวอะไรเลย มารู้สึกตัวเอาภายหลังซึ่งทำให้คิดว่าผู้ที่อุ้มผ้าตรายนั้นคงจะเป็นวิญญาณ ญ, ญ, ญาติผู้ใหญ่ของคุณพ่อที่มาเข้าสิงอยู่ตลอดเวลาเพราะแสดงความปิติยินดีอิ่มเอิบในส่วนกุศลอันนี้แต่เมื่อน่าเข้าโบสแล้ววิญญาณก็ไม่สามารถเหยียบย่างเข้าไปในโบสได้จะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่มีใครรู้คุณพ่อได้อุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดสังกระจายบางกอกใหญ่จังหวัดทนบุรี โดยสมเด็จพระพุทธโคาจารย์เป็นองค์พระอุปชาเมื่อปีพุทธศักราช2452เมื่อเข้าปฏิบัติในทางพระก็ได้เรียนวิชาศึกษาหลักธรรมปฏิบัติด้วยศีลบริสุทธิ์ทำสมาธิจิตใจสงบแผ่ส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องของปู่ย่าตายายที่ได้ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับกุศลโดยทั่วถึงกันทุกดวงวิญญาณต่อมาคุณป้าแพรก็มีวิญญาณมาเข้าสิงอีกบอกว่าเป็นพวกญาติเหล่านั้นได้พ้นทุกข์ไปหมดแล้ว ขออนุมโมทนาคุศลในครั้งนี้ด้วยแต่ต่อ น, นี้ไปก็จะได้ไม่ต้องมารบกวนอีกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีวิ ญ, ญญาณมาเข้าสิงคุณป้าแพรอีกเลยและเมื่อคุณพ่อได้ล า, าเพศบรรพชิตออกมาเป็นคาราวสาเมื่อเข้ารับราชการตามเดิมก็คือวันที่14พฤศจิกายน2452โดยเมื่อเข้ารับราชการแล้วปีต่อมาก็คือปี2453 ก็ได้รับประกาศสนิยบัตรครูมัธยมเมื่อปีพศ2454ได้รับยศเป็นรองอำมาตย์ตรีตามลำดับจนได้เป็นอำมาตย์ตรีมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงแจ่มวิชาสอนนี่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของมนุษย์หรือว่าชีวิตของท่านตลอดมานะคะมีชีวิตที่เฟื่องฟูในกิจการค้ามีชื่อเสียงผู้หนึ่งในเมืองไทยมีโรงงานยาสีฟันวิเศษนิยม ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงเรื่องนี้ได้คุ้นเคยสนิทสนมกับท่านหลังจากร่วมไปล่องแก่งเที่ยวน้ําตกไซยโยกที่กาญจนบุรีข้าพเจ้าเป็นเด็กเคารพท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่เชื่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดท่านได้ให้เกียรติมาสนทนากับข้าพเจ้าในที่ทํางานหลายครั้งได้สนับสนุนในเรื่องกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วก็บริจาคทรัพย์ช่วยพิมพ์หนังสือชุดนี้ตลอดมาทําให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านที่ เชื่อในเรื่องของหลักธรรมที่ถูกต้องแท้จริงเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมผู้ใดทำกรรมอะไรกรรมนั้นก็จะตามสนองตายแล้วไม่สูญบุญบาปมีจริงฉะนั้นท่านจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีแต่ความรุ่งโรจน์ตลอดมาเท่าที่เรารู้เราเห็นฉะนั้นเราพิจารณาหากท่านไม่พบเรื่องวิญญาณหรือว่าไม่เชื่อเรื่องวิญญาณไม่เชื่อเรื่องตายแล้วกลับชาติมาเกิดอีกครั้ง ท่านไม่เชื่อเรื่องบุญบาปชีวิตของท่านจะประสบความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้หรือเปล่าอยากจะพูดด้วยว่าบารมีที่ท่านได้สร้างสมด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ครั้งหลังท่านได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเก่าๆคนไหนตกทุกข์ได้ยากท่านก็ได้ติดตามไปช่วยเหลือทั้งบ้านเรือนที่อยู่แล้วก็การครองชีพท่านไม่ยอมทอดทิ้งเพื่อนเก่า เป็นที่น่ายกย่องของผู้ที่รู้จักคนคุ้นเคยทั่วไปบัดนี้แม้ท่านทั้งสองจะได้ลาโลกไปแล้วก็ตามอายุไขของท่านถึงจะหมดไปแล้วก็ตามแต่ว่าความดีของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนที่คุ้นเคยกับท่านอย่างไม่รู้ลืมจังหวัดสุขโขทัยเมื่อถึงหน้าร้อนน้ำมักจะแห้งแลง้งคนสมัยก่อนก็เลยต้องขุดบ่อเพื่อหาน้าไว้ใช้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 มีคนนึงเขาเพิ่งจะมาจากต่างจังหวัดมาครั้งสุดท้ายก็ตอนเขาเด็กมากแล้วพอกลับมาอีกทีเนี่ยโตเป็นหนุ่มเลยเนื่องจากว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านไกลมากทําให้เขาเนี่ยมาถึงหมู่บ้านค่อนข้างดึกระหว่างเดินเกิดหิวน้ําค่ะก็เลยพยายามมองหาบ้านคนแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่าเวลานั้นเป็นเวลาค่ําแล้วส่วนใหญ่ก็หลับกันแล้วแต่ว่าระหว่างที่ชายหนุ่มคนนี้เดินอยู่เนี่ยนะคะก็เพอเอินค่ะว่า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 ยิ่งเดินน้ำที่หาบมาก็ยิ่งหนักขึ้นทุกทีทุกทีค่ะจนผู้ชายคนนี้แทบจะทนไม่ไหวขณะที่กำลังจะวางถังน้ำที่หาบมาอยู่นั้นเด็กก็บอกกับเขาว่าถึงแล้วนี่ไงบ่อน้าเด็กคนนั้นก็หยุดโดยไม่บอกเขาทำให้เขาเนี่ยชนเด็กคนนั้นเล็กน้อยแต่ว่าเด็กก็สะดุดตกลงไปในบ่อน้ำค่ะผู้ชายคนนั้นตกใจสุดขีดตะกน ล, ลั่นพร้อมกับหันมาทางยแก่คนนั้นแต่ปรากฏว่า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 เห็นแต่ผู้ชายคนนั้นนั่งฉี่ราดอยู่ข้างบ่อน้ํามีคนนึงในชาวบ้านพูดขึ้นมาว่าโดนอีกแล้วเหรอเยจุกกับเจ้าทิ่นอีกละสิชายคนนั้นทํำนาซีดน้ําตาไหลอาบแก้มชาวบ้านก็เลยพาไปหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อพรมน้ํามนต์แล้วก็พูดว่าผีเยจุกกับหลานมันนะโยมดึกขนาดนี้ชาวบ้านเขาไม่ผ่านแถวบ่อน้ํากันหรอกโยมคงเพิ่งจะผ่านมาแถวนี้สินะไม่เคยเห็นหน้าเลยเยจุบกับหลานมันเจ้าทิ่นน่ะมันไปตากน้ําที่บ่อเด็ก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 ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวที่น่ากลัวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประถมะศึกษาแห่งหนึ่งที่อดีตเนี่ยเคยเป็นเรือนจำกักขังนักโทษเก่าแก่มาก่อนนะคะก็เลยไม่แปลกที่จะกลายเป็นดินแดนที่ใช้ประหาร น, นักโทษมากมายหลายศพจนนับไม่ถ้วน นักเรียนชมรมสังคมค่ะต้องอยู่ศึกษาประวัติที่โรงเรียนจนดึกกว่าอาจารย์จะปล่อยก ล, กลับก็ล่วงเลยเวลาไปเกือบสี่ทุ่มแล้วนะคะห้องสังคมนั้นก็ตั้งอยู่ที่ตึก5ชั้นนะคะบริเวณมุมด้านหลังสุดดังนั้นเมื่ออาจจะกลับก็ต้องเดินจากด้านหลังมาลงบันไดด้านหน้าขณะที่ตามรายทางก็มีไฟเพียงไม่กี่ดวงเท่านั้น ระหว่างที่เหล่านักเรียนสังคมต่างรีบเดินออกมาเพื่อกลับบ้านปรากฏว่าลิงค่ะดันลืมโทรศัพท์มือถือไว้ก็เลยต้องเดินกลับไปเอาพร้อมกับบอกให้นัดเพื่อนสนิทรออยู่ตรงนั้นอย่าพิ่งไปไหนจะรีบไปรีบกลับแล้วก็ครูแล้วก็เพื่อนๆต่างกา็รีบกลับนะคะก็เลยขอตัวไปก่อนขณะที่นัดรอเพื่อนอยู่เพียงลําพังก็เกิดได้ยินเสียงเพลงคล้ายๆกับรำสวดแล้วก็เสียงคนตะโกนโวยวายค่ะบอกยายาผมไม่ไปปล่อยผมอย่าทําผม วินาทีนั้นนัดก็เริ่มแปลกแล้วล่ะค่ะที่ดึกแล้วใครมันจะมาตะโกนร้องแบบนี้ได้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเสียงทุกอย่างเงียบไปจนหน้าวาังเวงคุณนัดเองเริ่มรู้สึกกลัวก็พยายามมองซ้ายมองขวาแต่เพื่อนที่ไปเอาของก็ยังไม่กลับมาตอนนี้เริ่มมีเสียงคล้ายกับคนลากอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายกับโซ่แววมามันก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาค่ะจังหวะนั้นคุณนัดทนไม่ไหวก็เลยคิดจะวิ่งหนีออกไปแต่ว่าพึบ มือนึงมาจับที่แขนของเธอไว้พอหันไปก็พบว่าคนที่มาจับมือคือลิงเ <c oughs> พื่อนสนิทของเธอนั่นเองนัดก็เลยรีบถามลิงว่าได้ยินเสียงคนลากอะไรหรือเปล่าซึ่งลิงตอบกลับมาทันทีว่าได้ยินเสียงคลายโซ่ใช่ไหมเท่านั้นแหละ2คนต่างจับมือกันวิ่งลงตึกแบบไม่คิดชีวิตแล้วก็ระหว่างที่วิ่งลงตึกอยู่ดีๆนัดสะบัดมือลิงออกอย่างกระทนหันแล้วเดินกลับไปทางเดินที่ยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้เหมือนโดนสะกดเนี่ยนะคะลิงรู้ละ ว่าเพื่อนต้องโดนอะไรบางอย่างแน่ก็เลยวิ่งไปหาพร้อมกับเขย่าตัวแล้วก็ตบหน้าเรียกสติเพื่อนอย่างนัทกับลิงก็ไม่รีรออะไรละพอรู้สติได้ทั้งคู่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเป็นสิ่งลี้ลับแน่นอนก็เลยรีบวิ่งลงตึกแบบไม่คิดชีวิตจนกระทั่งไปชนกับใครคนหนึ่งนะคะพอตั้งสติได้ก็รู้ว่าคนที่ชนเนี่ยคือพ่อของลิงเป็นคนเก่าแก่ของโรงเรียนทั้งสองก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้กับลุงคงฟังทันที หลังจากที่ได้ฟังเรื่องของนักเรียนทั้งสองคนค่ะลุงคงถึงกับตกใจพร้อมเตือนว่าทำไมไม่รีบลงมาพร้อมกันเยอะๆที่เนี่ยมันเหี้ยนลุงยังไม่กล้าขึ้นไปข้างบนเลยหลายปีก่อนเคยมีเด็กหายไปไม่มีแม้กระทั่งศพ สองสาวได้ฟังถึงกับสั่นผวาส่วนนัดก็เล่าให้ฟังอีกว่าตอนสะบัดมือลิงเพราะระหว่างวิง่งได้หันกลับไปเห็นลิงยืนอยู่จึงสะบัดมือออกเพราะคิดว่าเป็นมือผีแต่พอเดินไปหาลิงร่างของลิงก็กลับเปลี่ยนเป็นผู้ชายเหมือนนักโทษมีโซ่ตรวนคล้องขาอยู่จากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีนึงคือตอนถูกตบหน้า นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องส่งท้ายคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ฝากกดอีกครั้งหนึง่งกดติดตามกันเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วบีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ